ขอกราบนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบคารวะนอบน้อมแด่หลวงพ่อและพระภิกษุพระคุณเจ้าด้วยเศียรด้วยก้าวขอกล่าวคำสวัสดีต่อเพื่อนผู้ปฏิบัติทุกท่านนะคะ วันนี้ก็เราปฏิบัติกันมาก็พอสมควรนะฮะได้หกเจ็ดวันปกตินี่ถ้าเข้าคอร์ดหลวงพ่อนี่ก็เจ็ดวันแต่ทีนี้เป็นกรณีพิเศษหลวงพ่อท่านจะอยู่ที่นี่อีกหลายวันสองสามวันพวกท่านก็คงที่ไม่ติดธุระอะไรก็จะได้ปฏิบัติต่อจะได้เพิ่มความเข้าใจในการปฏิบัติ พอเรามาแล้วนะคะเราต้องอยู่ให้คุ้มค่าที่เราเสียเสละเวลาอันมีค่าที่มาสาะแสวงหาคำตอบแก่ชีวิตของเราเพราะในชีวิตของเราทุกคนก็ต้องเจอปัญหาอุปสรรคนานานับประการไม่ว่าชาติไหน เพศไหนเราต้องเจอทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นในการปฏิบัติที่เรามาทำนี่ภายในเจ็ดวันเนี่ยเจ็ดวันสิบวันเนี่ยท่านจะเจออุปสรรคที่ท่านเห็นโดยที่เราได้สัมผัสกันของจริงเลยทั้งกายและใจที่ท่านสัมผัสอยู่ทุกวันตั้งแต่เช้าจุดเย็นจนกระทั่งเข้านอนเนี่ยท่าน ถ้าท่านตามดูตามรู้อยู่ทุกขณะท่านจะเห็นทั้งกายทั้งใจมันบอกท่านอยู่ตลอดเวลาเลยแต่เราเคยฟังเขาไหมเคยสัมผัสกับเขาไหมเรารู้เรารับทราบแต่ว่าถ้าเราไม่มาเจริญสติเราก็จะไม่ทราบและสัมผัส ด, ด้วยใจของเราเองเรารู้แต่เรายังไม่เห็น แต่ทีนี้พอเรามาทําเรามาปฏิบัติเนี่เรารู้ถึงแล้เราจะไม่เห็นแต่จุดนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่จะพาเราให้เราไปเห็นจุดนี้ถ้าเรายังทําแล้วเรายังไม่ทิ้งเพราะการทําเนี่ยหลวงพ่อท่านก็จะย้ําเรื่องการต่อเนื่องต่อเนื่องตลอดเลยเพราะการต่อเนื่องเนี่ยสำคัญถึงแม้เราจะฟัง บางคนก็อาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างในการต่อเนื่องแต่ก็ทําเท่าที่เราทํานะต่อเนื่องยังไงก็นขนคว้าเข้าไปเออต่อเนื่องมันคงเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องกลัวผิดบ้างถูกบ้างช่างมันทําซ้ําแล้วซ้ําอีกเพราะว่าบางคนอาจจะได้อารมณ์บ้างนะมีปิติมีความตัวเบาสบายนั่นแหะนะก็ให้รู้ รู้แล้วก็ปล่อยทิ้งไปนะเพราะว่าในช่วงปฏิบัติเนี่ยอารมณ์มันก็จะมาบางคนก็จะมีอารมณ์แบบนิวรที่ให้เห็นเห็นนะความอึดอัดขาดเครื่องมันมีหมดอะนะะห่วงเหาห า, หานอนอย่างเงี้ยมันจะตามมาตลอดได้อารมณ์บ้างไม่ได้อารมณ์บ้าง แต่ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะในการปฏิบัติดูให้ดูตลอดไปเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะคือกฎไตรลักษณ์เนี่ยเห็นไหมความห่วงก็อยู่กับเราไม่นานสักพักก็หายไปความเจ็บความปวดอยู่กับเราไม่นานสักพักก็หายไปความเบื่อความหน่ายความเซ็งความหงุดหงิดลาคาญก็หายไป ความคิดก็วิ่งพรูเข้ามาอย่างเงี้ยเราหาทางออกไม่ได้ไม่เป็นไรนะรวบรวมสติขึ้นมาลุกขึ้นไปถามเพื่อนถามไปหาอุบายที่จะช่วยตัวเราไม่มีใครว่าใครดอกตอนช่วงปฏิบัติทุกคนคงเกรงว่าเออครูบาอาจารย์ ต้องเคารพท่านนะเดี๋ยวท่านจะว่าเอาเดี๋ยวคนอื่นเพื่อนปฏิบัติจะว่าเอาอย่างไงนีน้ไม่ต้องเกรงใจนะคะลุกขึ้นเลยไปทำสิ่งที่ว่ามันแก้ไขเราได้มันช่วยในการปฏิบัติเราได้มันง่วงเออตอนที่เป็นนะมันนึกไม่ออกนะมันนึกไม่ออกแต่เราเคยทำยังไงอะ่ะตอนอยู่บ้านเราเวลาเราง่วงก็ทำอย่างนั้นค่ะเวลาเราปฏิบัตินะเวลาเราเบื่ออยู่บ้านเราทำยังไง แล้วก็ลองเอาที่บ้านมาใช้กับการปฏิบัติในรูปแบบดูบ้างนะะอย่างดิฉันเนี่ยเวลาปฏิบัติมันมีอะไรเข้ามากระทบในจิตใ จ, จตลอดใช่ไหมฮะยิ่งบางคนยิ่งมีโทสะจริตเนี่ยมันลาคาญหงุดหงิดเพื่อนร่วมข้างไปหมดเล ย, เ, ยเสียงดังอะไรที่ตาหูจมูกได้เห็นได้ยินไม่พอใจเนี่ยมันจะลาคาญจิตใจเราก็ วันไหวตัวนี้ละตัวที่เป็นอุปสรรคสำหรับตัวดีชันมากที่สุดเลยน ะ, ะแต่ที่ที่สังเกตดูแล้วนะคะพวกท่านน่ไม่ค่อยมีตัวนี้กันหรอกส่วนมากนะคะคือตั้งใจปฏิบัติน ะ, ะตั้งใจปฏิบัติตัวปฏิฆโทสะนี่ก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่เพียงแต่ว่าตัวง่วงเหงาหานอนเนี่ยลังเลสงสัยนี่อาจจะมีบ้าง เพราะทุกคนก็ยังไม่ทราบว่าเออทำไปแล้วนะ่าจะได้อะไรไหมแค่ยกมือเนี่ยนะดิฉันกล้ารับรองเลยว่าต้องได้ต้องได้เนี่ยได้อย่างที่ดิฉันได้ทุกคนถ้าทาต้องได้เหมือนกันทุกคนจะได้น้อยได้มากนะ่แล้วแต่ความพยายามท่านกลับไปนี่นะทำเหมือนท่านอยู่ที่มาปฏิบัตินี่แหละกลับไปบ้านนะเพราะว่าเราต้องเจออารมณ์ไม่ใช่ว่า บางคนอาจจะสงสัยก็ได้ภายในใจว่าเอ๊ะเรามีครอบครัวแล้วเรากลับไปบ้านเนี่ยเราจะทำอย่างนี้ได้เหรอนะเรามีเรามีเวลาของเราใช่ไหมคะเรามีเวลาเราก็ทำในรูปแบบของเราถ้าบ้านไหนใครมีห้องพระห้องที่เป็นส่วนตัวไม่มีห้องพระเราก็ห้องนอนเราก็ได้นะคะคนรอบข้างเราก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาเราก็หาโอกาสส่วนตัวของเรานะ ทำในรูปแบบสร้างจังหวะบ้างนะสานาทีบ้างชั่วโมงหนึ่งบ้างเพราะช่วงนี้เราใหม่อยู่เราต้องสร้างจังหวะให้มากนะคะต้องเก็บสติให้มากเลยพอเรามีเวลาส่วนตัวเราก็ทําเวลาเราออกมาจากธุระส่วนตัวแล้วเราก็ทํางานตามหน้าที่ของเราปกติไปทําการทํางานดูแลลูกเต้าสามีนะทำ ทุกอย่างเหมือนปกตินี่แล่ละค่ะแล้วก็พอเราสังเกตดูด้วยว่าตอนขณะที่เราออกมาจากการปฏิบัติทุกครั้งเนี่ยเวลาเรารเผชิญกับของจริงเนี่ยจิตใจเราเป็นยังไงนะะเนี่ยมันจะโดยมันจะกระทบแล้วจิตใจเนี่ยเราหวั่นไปหวั่นไหวไปไหมถ้าเราหวั่นไหวนะกระทบเนี่ยดิฉันนี่นะจะเข้าเก็บอารมณ์ทันทีเลย ถ้าออกไปแล้วนะไปเจอใครพูดไม่ดีหรือฟังอะไรไม่ชอบใจนะจิตใจนี่มันจะมันจะเหมือนอะไรเนี่ยมันมาตึบตึบอยู่ในใจนี่นะความไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วช่วงนั้นดิฉันจะเข้าเก็บอารมณ์นะคือการเก็บอารมณ์นี่กลับมาดูใจเก็บให้เข้มเลยสร้างจังหวะใหม่นะออกมาใหม่ทําอย่างนั้นอนะ่ะย้าแล้วย้ําอีกนะจนว่าเอออารมณ์นี้มันจะจางหายไป นะไม่มารบกวนเราบ่อยถ้ากลับมาอีกนะเราก็แก้ไขได้ไวเหมือนเมื่อก่อนนี่เคยแบบติดอารมณ์นะไม่พอใจใครเนี่ยเป็นวันมันก็ลดมาล ด, ลดระยะเวลาลงมาเคยเป็นหลายๆวันหลายๆปีมันก็ลดลดล ด, ลดลงมาจ น, จนอารมณ์ตัวนี้นะไม่เข้ามาในจิตใจดิฉันเลยต้องทำถึงขนาดนั้นนะคะยังมีครั้งหนึ่งนะคะจะเล่าเรื่องการปฏิบัติ ช่วงที่ไปปฏิบัติศึกษากับหลวงพ่อเนี่ยท่านพาไปจํากรรมฐานตอนนั้นไปไปปฏิบัติที่วัดเซนหลุยส์นะคะดิฉันนี่นทําอาหารให้หลวงพ่อนะเราก็ครูบาอาจารย์ใช่ไหมเราทําอาหารท่านสอบอารมณ์หนักเลยนะตอนนั้นเราเนี่เคยติดนิสัยใช่ไหมเคยทําอะไรเนี่ยถ้าคนชม แล้วก็มันชอบใช่ไหมแล้วถ้าเรารักใครเนี่ยเราอยากให้คนนั้นใช่ไหมคนที่เราไม่ชอบนี่เราก็อย่างนั้นอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่คนที่เราชอบเนี่ยเราถึงให้ได้และให้มากคนที่เราไม่ชอบก็บางทีก็ให้ไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นนะคะปกติดิฉันทําอาหารนี่นะตั้งใจว่าโอ้หลวงพ่อมานี่นะจะให้ท่านได้ฉันยทําอย่างวิจิตพิสดารอย่างละเอียดเลยนะคะท่านลงมานะ ท่านเมินเฉยเลยนะท่านมองอาหารแล้วท่านก็ไม่ไม่ฉันท่านนั่งเฉยแต่ท่านไม่ฉั น, น, น, ฉนหัวใจดิฉันนี่ทนะ่หล่นไปแทบตาตุ่มเลยนะฮะหล่นไปหัวใจนี่แบบวิวเลยแบบโอ้โท่านไม่ฉันแบบท่านนึกภาพดูก็แล้วกันะเราตั้งใจไว้ความหวังคาดหวังไว้อะแล้วไม่ได้อย่างที่สมหวังแล้วเป็นยังไงเนี่ยคนถึงได้อกหักกันมากในโลกนี้นะฮะเนี่ยพอความคาดคาดหวังพอท่านไม่ฉันฮนะ ดิฉันมานั่งสำรวจตัวเองว่าโอ้โหเรายังไม่ไปถึงไหนเลยนะจิตตัวนี้เข้าเก็บอารมณ์ค่ะเก็บอารมณ์จนชนิดว่าตัวนี้ไม่มีอยู่ในใจนะคะตัวนี้ไม่มีในจิตในใจถึงว่าโอ้เราไม่ทุกเนี่ยพอตัวนี้ออกนะท่านมันเบาสบายมันโล่งเนี่ยทําไมต้องทําทําสิฮะเพราะว่าตัวเนี้ยตัวอึดอัดขัดเคืองในใจเนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยเนี่ยตัวนี้ละ่ะเนี่ยมันอยู่กับตัวเราอะ่ะ แล้วเราสามารถเอาออกได้ไหมนะแล้วอีกครั้งหนึ่งนะอย่างลูกหมาที่ดิฉันเคยเล่าให้ฟังนะท่านไปบ้านดิฉันทีไรนะท่านจะบอกเลยนะเอาไปทิ้งซะไอ้ตัวนี้เอาไปทิ้งเอาไปปล่อยอย่างเงี้ยแล้วคนยิ่งพ่อบ้านดิฉันนี่ใช่ไหมลูกเข้าทั้งคนเข้าเลี้ยงมาอย่างเงี้ยหลวงพ่อพูดอย่างงี้ใช่ไหมฮะจิตใจฉันนี่นะห่อเหี่ยวเลยนะมาถึงท่านบอกให้เอาไปทิ้งทุกครั้งเลยนะจน ทุกวันนี้ถ้าเราบออกไปทิ้งดิชันบอกว่าทิ้งแล้วทิ้งนานแล้วแต่ทิ้งในนี้หมายกว่าว่าทิ้งข้างในนะข้างนอกเราก็ทําตามหน้าที่เลี้ยงเข้าไปแต่ข้างในนี้เราเราไม่ได้ยึดติดตรงนี้ละจิตใจมันไม่มีอะไรในนี้ละเนี่ยเราต้องทําถึงขนาดนี้นะฮะอย่างเพื่อนฝูงอะไรเหมือนกันคนที่เราค่อยมีปัญหาเนี่ยมันต้องมีใช่ไหมปัญหากับคนรอบข้างเนี่ยทั้ง ภายในครอบครัวและในภายนอกสังคมยิ่งเราทำงานเนี่ยยิ่งเจออุปสรรคมากเลยเราจะทำเอาตัวที่เราปฏิบัติเนี่ยไปใช้ได้ยังไงอย่างนี้นะคนที่ดิชั่นมีปัญหามากที่สุดนะทุกวันนี้นะเข้าเหมือนครูบาอาจารย์ดิชันไม่มีจิตใจในนี้ไม่มีตัวนั้นอยู่ในใจเลยต้องทำถึงขนาดนี้ทำยังไงก็ดิชั่นที่พูดนะเนี่ยนะเนี่ยถ้ามันไม่ผ่านกลับมาเก็บอารมณ์อีกเอาจนผ่านนั่นแนะ เขาจะเป็นยังไงนะเราดูตัวเราเองอยู่กับตัวสติสัมปชัญญะเนี่ยตัวนี้แหละตัวเดียวที่จะช่วยเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็บอกเอกาโนมัคโควิสุทธิยาหนทางนี้เป็นหนทางเดียวเท่านั้นนะที่เราจะทำทุกข์ให้หมดไปและเข้าถึงพระนิพพานนะเนี่ยนิพพานนี่ไม่ใช่ของที่ไกลเกินไฝ่ฝันที่เราบอกว่าโอนิพพานนี่มันไกลเหลือเกินนะเราทำไม่ได้หรอก อย่าไปดูถูกตัวเองนะคะเนี่ยท่านทําอยู่เนี่ยท่านก็เริ่มทํานิพานแล้วเนี่ยนิพานที่ท่านทําอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นนิพานเล็กๆน้อยๆะสมกันไปช่วงไหนที่ใจท่านไม่มีอะไรขังอยู่ในใจนั่นน่ะนั่นน่ะท่านได้นิพานครั้งหนึ่งละช่วงไหนเนี่ยที่จิตใจมันมืดมัวมันขุ่นมัวอย่างนั้นน่ะนั่นนิพานหายไปละนั่นแล้วนิพานตัวนี้นะคะเนี่ยเราทําไปเนี่ย เมื่อหลายใจเราว่างเราโปร่งเราสบายเนะี่ยเราก็ได้เพิ่มขึ้นนิพานเพิ่มขึ้นเนี่ยเหมือนกับบางท่านคงได้ยินนะที่ถ้าได้ยินแล้วก็ไม่เป็นไรบางท่านอาจจะไม่ได้ยินก็ให้คนที่ไม่ได้ยินได้แชร์ได้ฟังบ้างนะอย่างทางอินเดียนี่นะเขาเวลาคนแขกเขากินข้าวเนี่ยนะเขากินข้าวต้มเนี่ยร้อนๆ อ, อย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าต้องรอรอให้มันนิพานซะก่อน เขาบอกนี้นะอ่าเห็นไหมนิพานเป็นอะไรนิพานก็คือความเย็นนะเห็นไหมถ้าจิตใจเราเย็นนี่นะอยู่ที่ไหนมันก็เย็นหมดใครจะมาร้อนอยังไงใครจะวุ่นวายยังไงอย่าว่าเสียงแต่เด็กนะมารบกวนเราเลยอย่างเสียงสุนัขร้องทั้งคืนเนี่ยแทบอยากจะไปหักคอนน่นนะถ้าเราจิตใจตัวนี้เราไม่มีนะตัวดิฉันเองเนี่ยนะโอ้โหจิตใจมันเนี่ยมันมั น, มน มันล้ายกาดมากเลยถ้าเราไม่ทำตัวนี้ให้ได้นะแต่ถ้าเราทำได้แล้วเราเย็นได้แล้วนะทุกอย่างนะเนี่ยมันเป็นของมันเช่นนั้นเองมันเป็นธรรมชาติแต่ว่าไม่ใช่ว่าดิฉันจะไม่มีนะตัวนี้มันก็ยังอยู่นะมันมันก็มารบกวนแต่เรากำจัดมันได้ทุกครั้งหรือเปล่ามันอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเร่งความเพียร นะช่วงไหนที่ดิฉั่นความเพียรหย่อนยา น, นี่นะเนี่ยดิชั่นมาเนี่ยส ง, งานติดกันนี่นะแบบมาทําความเพียรเพิ่มมาพัฒนาจิตตัวนี้เพิ่มได้กําลังเข้าไปอีกเนี่ยได้ดูตัวเองชัดเข้าไปอีกได้เห็นความบกพร่องของจิตได้เห็นความบกพร่องของตัวเองอีกเราก็เราก็ต้องเนี่ยเข้ามาพัฒนาอย่างเงี้ยถ้าเมื่อไหรจิตใจเราอ่อนแอนเนี่ยเนี่ยครูบาอาจารย์เพื่อนปฏิบัติกัรยาณละมิถึงสําคัญตรงจุดนี้ ยิ่งคนทําครัวนี่นะฮะยิ่งยิ่งต้องต้องเจริญสติให้มากเลยเพราะการทําครัวนี่นะมันกระทบได้ง่ายที่จริงนะฮะถ้าใครอยากจะอยากจะทดลองหรือว่าปฏิบัตินะฮะให้ผลรวดเร็วนี่นะต้องฝึกเข้าครัวการเข้าครัวนี่นะจะช่วยการฝึกสติได้อย่างดีเลยนะอย่าหนีการเข้าครัว นะนะเพราะฉะนั้นคนพวกดิฉันเนี่ยที่ฝึกมานี่นะหลวงพ่อฝึกมานี่นะเมื่อก่อนก็กระโดกกระเดกไม่รู้เรื่องรู้ราวทําครัวก็ไม่เป็นเป็นคนจับจดหยาบกระด้างพอเราเข้าครัวนี่นะมันทําให้เราเกิดแบบว่าความละเอียดโดนกระทบบ่อยเพราะในครัวเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวมันต้องมีคนชอบคนชมคนไม่ชอบคนไม่ชมสารพัดเลยนะจิตใจเราหวันหวหว่นไหวพอหวั่นไหวปุ๊บหมดกําลังใจไม่อยากทํานะ อย่าเงี้ยเเราพอเราหมดความพอเราไม่มีกําลังใจอยากจะทําเป็นไงตอนนี้จิตใจเบื่อนายเนี่ยครูบาอาจารย์เพื่อนกัลยาณมิตรที่เราปฏิบัติ ด, ด้วยเนี่ยเขาก็มาเนี่ยแก้อารมณ์แก้จุดนี้ให้เรานะไม่ให้เราต้องทิ้งการปฏิบัติออกไปเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินะี่มันสําคัญนะสำคัญเพื่อนกัลยาณมิตรเพื่อนที่ปฏิบัติ ด, ด้วยกัน นะหรือว่าคุณพี่จะลองเข้าครัวนะอะ่อืมดีอ่าดีเดี๋ยวเข้า บ, าบา่อยๆนะนั่นอนะ่ะเข้า บ, าบา่อยๆโดนกระทบบ่อยๆยิ่งตียิ่งขัดยิ่งตีมันยิง่งมันยิ่งจะเข้มข้นทนทานขึ้นนะพอตอนนี้นะดิฉันโหไม่รู้จะรับยังไงนะพอเดี๋ยวนี้นะมันมันมันกลัวนะเดี๋ยวนี้มันพอเราทํำ บ, บ่อยๆเข้าจิตใ จ, จเราก็แข็งแกร่งขึ้นนะ การทำงานไม่ว่าหนักหรือเบามันก็ทนได้ไม่เคยทำงานหนักๆ ก, ก็ทำได้อย่างเงี้ยก็เนี่ยนะคือการผลของการปฏิบัตินะะฉะนั้นดิฉันก็พูดมานี่ก็คงนี่เป็นการปฏิบัติจริงๆในชีวิตประจำวันของดิฉันนะะแล้วก็ ขอฝากก่อนวันนี้ดิฉันจะขอลาทุกท่านด้วยก็จะเดินทางกลับไปบ้านนะฮะไปทําหน้าที่ต่อหน้าที่ที่ต้องทําเห็นไหมพอเรามีโอกาสเราก็มาพอเรากลับไปเราก็ทําหน้าที่ของเราเป็นแม่บ้านก็ทําหน้าที่ของแม่บ้านเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นแม่แล้วก็ทําหน้าที่ไปไม่ไม่ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติเลยนะฮะ กลับไปยิ่งมีกำลังยิ่งทำงานนะะเนี่ยพ่อบ้านดิฉันนี่นะเขาเขาไม่ได้นั่นเลยนะเขามีความไม่ค่อยพอใจเท่าไหรนะะ่นะดิฉันมาปฏิบัติแรกๆเนี่ยแต่เขาเป็นคนมีมารยาทเขาไม่ค่อยแสดงออกแค่นั้นเองเขาไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่นะ พอดิชันกลับไปเนี่ยเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นเราเคยเป็นคนโกรธมากคนโลภมากคนหลงมากเราพูดน้อยลงทําอะไรน้อยลงแบบใช้เงินก็น้อยลงด้วยอย่างงี้นะเขาก็เลยแบบว่าโอ้เธอไปปฏิบัตินี่ดีขึ้นนะขอให้พอมาพอดิชั่นจะบอกว่าจะไปปฏิบัติเมื่อไหร่นี่นะเขาก็รีบโอ้ไปเลยไปเลยเตรียมทุกอย่างไว้ให้เลยตัว๋วเครื่องบินนี่จองไว้ให้ ก่อนหน้าเลยจะไปกี่เที่ยวกี่วันบอกมาเลยนะคะนี่อานิสงการปฏิบัตินะพอเราเย็นเขาก็พลอยเย็นไปด้วยสิ่งไหนที่เราไม่ดีเราเลิกเขาก็พลอยเลิกไปด้วยเนี่ยการปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้เองน ะ, ะเพราะฉะนั้นดิฉันก่อนกลับนะคะดิฉันก็ขอขอบคุณอนุโมทนากับท่านทุกท่านนะคะแล้วก็ขอให้ท่านตั้งใจอย่าท้อถอยนะคะ มันต้องได้ผลแน่นอนถ้าท่านไม่ทิ้งมีโอกาสก็ถ้าติดขัดตรงไห น, นก็นึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงเพื่อนปฏิบัติ ด, ด้วยกันนะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นดิฉันก็ขอขอนุโมทนาขอให้ทุกท่านได้ดวงตาเห็นธรรมทุกท่านทุกคนเธอสุขก็ชอบใช่ไหมนะะมันก็เป็นปกติธรรมดาล่ ะ, นะะจิตใจตัวนี้มันก็ชอบถ้าหนูปฏิบัติไปเรื่อยๆนะ พอเราวางใจเป็นกลางได้น่ยความทุกมาเราก็ตอนนี้อหนูรู้แต่หนูยังไม่เห็นหนูยังไม่คะหนูรู้แต่หนูยังทําไม่ได้ใช่ไหมอ่าพออีกหน่อยหนูทําไปบ่อยๆทําไปบ่อยๆพอหนูโกรธปุ๊บหนูรู้หนูก็ทิ้งไปมาอยู่กับความรู้สึกตัวนะตัวทโกรธก็หายไปอีกหน่อยพอหนูชอบหนูรู้ว่าชอบหนูก็มาอยู่กับความรู้สึกตัวความชอบก็หายไปหนูก็ทําอยู่อย่างเงี้ย และอีกหน่อยมันก็ชอบมันก็จะวางใจเป็นกลางไม่ชอบมันก็จะวางใจเป็นกลางไม่เข้าไปยึดถือทั้งสองฝ่ายนะหนูก็จะไม่ไม่ทุกข์ไม่สุขนะให้หนูทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆสร้างจังหวะไปเรื่อยๆเจริญสติไปเรื่อยๆยืนเดินนั่งนอนหนูก็พยายามสำรวมทำอะไรช้าลงนะเคยเป็นคนเร็วนะเคยเป็นคนพูดมากก็พูดน้อยลงนะเคยเป็นคน ขี้เกียดก็ขยันขึ้นนอนดึกก็นอนแต่หัวค่ำจัดการตารางเวลาให้นอ น, เ ป, นเป็นเวลาได้จะดีนะคะบางคนเนี่ยชอบนอนดึกแล้วตื่นสายอย่างเงี้ยการสวรดมนต์ไหว้พระก็เหมือนกันไม่ต้องสวดนานหรอกช่วงที่เราปฏิบัตินะสวดมนต์สาธายายเนี่ยสวดนานเงนี้ยนะมันก็สวดเฉพาะเฉพาะสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะแผ่เมตตาแล้วเราก็จเจริญสติ ออเงี้ยช่วงเนี้ยพอจิตใจเราจะได้มาอยู่กับตัวรู้สึกมากๆบางคนเขานั่งสวดมอง์เขาก็มีสมาธินะแต่เราไม่ต้องการสมาธิตัวนี้เราต้องการสมาธิที่อยู่กับการเจริญฝึกกับการเจริญสตินะจนเกิดสมาธิใหม่สมาธิตัวนั้นคือสัมมาสมาธิเราต้องการตัวนี้นะนั่นแหละแต่สําคัญเนี่ยการการนอนเนี่ยต้องเป็นตารางเวลาจะดีมากเลยนอนแต่ สามทุ่มบ้างไม่เกินสี่ทุม่มพอตีสี่ตีห้าเราก็เกินไม่เกินตีห้าเราก็ลุกอย่างเงี้ยจะได้จะไดอ้อากาศสดชื่นนะเคยดูละครดูหนังดูอะไรมากๆก็ไม่ต้องดูมากเพราะว่าเราดูแล้วนะมันมันเข้ามาในจิตใจเราแล้วเราก็เอาไปคิดแล้วความคิดเก่าก็ยังเยอะอยู่แล้วนะเอาความคิดใหม่เข้ามาอีกเนี่ยมันทับถมแล้วพยายามเจ้าออกเนี่ย แต่มันก็นั่นนะมันยากแต่ว่าเราก็ค่อยทําค่อยๆทําพราะมันเหงาใช่ไหมบางทีไม่มีอะไรทำอ่ะกระโดดใส่โทรทัศน์ล้ใช่ไหมมันเหงามันเนี่ยอย่างเงี้ยทีนี้ก็แบบว่าพอเรามีสติพอเราฝึกไปบ่อยๆพอเหงาปุ๊บจะกระโดดใส่โทรทัศน์ปุ๊บเรามีสติใช่ไหมเฮ้ยออกไปเดินข้างนอกดีกว่าเดินตรงข้างนอกอากาศเย็นๆอย่างเงี้ยเนี่ยตัวฉุกคิดนี่แหละมันจะช่วยเราพอเราบอกว่าจะทํานี้โอ๊ยไม่ทําดีกว่าไปทําอย่างนั้นอย่างเงี้ยดิฉันปฏิบัติทดิฉันก็ทําอย่างเงี้ย อย่างคุณสมพรนี่ก็ปฏิบัติมาด้วยกันนะฮะตั้งตั้งแต่ l a เวกัสนะฮะเขาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อคนแรกเลยเนี่ยที่拉斯เวกัสนะฮะปฏิบัติด้วยกันมานะะอ่มีอะไรก็ปรึกษาเขาได้นะฮะเขาเป็นเพื่อนร่วมทีมงานสุขทุกขมาด้วยกันนะฮะบางทีก็ให้อารมณ์กันเวลามีปัญหาก็แก้อารมณ์กันบ้างแก้ได้บ้างเวลาเราติด อารมณ์เขาก็แก้ให้เราเวลาเขาติดอารมณ์เราก็แก้ให้เขาเนี่ยมีเพื่อนก็อย่างนี้แหละอย่างเงี้ยเราก็อยู่กันอย่างพี่อย่างน้องไม่มีอุปสรรคใดๆเนี่ถ้าเราอยู่กับอยู่ด้วยกันได้แบบไม่มีอุปสรรคมันก็มันก็นั่นนะึ่งนะแต่ในโลกนี้มัน โ, โหมันจะให้เป็นอย่างใจเรามันไม่ได้หรอกนะอยู่กับคนบางคนคนรอบข้างในสังคมมันต้องทําตัวยากมากนะคะบางคนเขามาตรฐานสูงใช่ไหมเราก็โอ้โห รับเขาเขารับเราไม่ค่อยได้หรอถ้าเขาม า, มาตรฐานสูงกว่าเราอ่ะใช่ไหมแต่บางท้าเรามาตรฐานต่ำเขาก็รับเราไม่ได้เหมือนกันเนี่ยมันความเลื่อมล้าต่ําสูงในสังคมเนี่ยมันก็มีผลส่งผลในหวในจิตใจของเราเป็นอย่างมากแล้วด้วยอย่างเงี้ยแล้วเราจะรับมือกับมันยังไงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมองคนทุกคนให้เป็นลูกเป็นนาำเป็นก้อนทุกข์เหมือนกันนั่นแหะเราถึงจะไม่ต้องไม่มีอะไรเหลื่อมล้าต่ําสูงมันเป็นธรรมชาติน่ะ เขาก็าธาตุดินน้ําลมไฟธาตุขันเหมือนกันนั่นแหะแค่นี้เองนะทุกอย่างเหมือนกันเราก็จิตใจเราแต่บางครั้งมันพูดได้นะแต่มันทําไม่ได้ถ้าเราไม่มาปฏิบัติพูดได้ทุกอย่างเลยแต่ทําไม่ได้รับรองเลยนะบางคนเนี่ยพูดธรรมะเก่งๆนะแต่จิตใจทําไม่ได้ก็มีนี่นะเราไม่ว่าการ น, นี้เราพูดของจริงอ่านะบางคนบางคนเขาพูดไม่ได้นะเขาพูดอย่าง อะไรไม่ได้นะแต่จิตใจเข้าดีก็มีอย่างบางคนเห็นไหมเขาไม่ต้องปฏิบัติธรรมมากนะจิตใจเขาเย็นเห็นไหมใจเย็นคุณเคยมีเพื่อนใช่ไหมบางคนเน่ยจิตใจเย็นเยิ้มตลอดทั้งวันเลยบางคนอแต่บางคนโอโ้โหแหมทั้งวันเหมือนกันใช่ไหม อ, อย่างดิฉันนี่ไม่ได้นะโอ้อารมณ์ร้อนเราอารมณ์วูบวาเมีย้ยพอมาเราถูกคิดอะเอ๊ะคนรอบข้างทําไมคนคนนี้เข้าเป็นคนเรียบร้อยคนจิตใจเ ย, ยือกเย็นนะอย่างเงี้ย ทำไมเราเป็นอย่างนี้นะน้องเข้ามาโอปัญญิโกนะพระพุทธเจา้าสอนน้อมเข้ามาใส่ตัวตัวนี้ละ่ะน้อมเข้ามาเออเราคงไม่เป็นเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นนะอย่างเงี้ยเนี่ยเ น, นี่ยธรรมะมั น, นามมาต้องย้อมเอาข้างนอกเข้ามาข้างในก่อนถ้าเราโาบอกว่าเออฉันมาปฏิบททัติธรรมนะฉันจะได้อย่างนั้นอะย่างนี้นะยากไม่ได้หรอกถ้าข้างนอกเรายังไม่รู้จักน้อมนะข้างในใ น, นี่นะมันจะไม่มันมันจะไม่มีอะไรฐานรองรับเลยเนี่ยฐานตรงนี้ล่ะเนี่ย พอปัญหาอุปสรรคมันมาจากข้างนอกถึงเข้ามากระทบข้างในอืถ้าเราอยู่อย่างเนี้นะเนี่ยธรรมชาติล้วนๆเนี่ยเห็นไหมตัวเราเนี่ยบอกธรรมชาติใช่ไหมธรรมะก็คือธรรมชาติบางคนบอกนะแล้วเข้าใจดีหรือยังธรรมชาตินั่นะนะ่ะมันพูดได้นะบางคนมันพูดได้แต่มันทําทําทํายากอยู่แต่ก็ไม่เหลือไม่เหลือวิสัยนะไม่เหลือวิสัยนะเพราะทุกคนเข้ามาเนี่ยทุกคนน้อมใจที่จะทําความดีจะประพฤติปฏิบัติธรรมทุกคนนะี่แะ โอ้มาตั้งนานแล้วเนี่ยขาดสติแล้วเห็นไหมนะ <laughs> เนี่ยตัวสติตัวคิดเนี่ยไวมากเห็นไหคิดละว่าหลวงพ่ อ, อยังไม่มาเห็นไหเนี่ยตัวคิดเนี่ยมันเอาเราไปกินทุกวินาทีเลยเนี่ยดิฉันนี่ต้องระวังนะเมื่อวานก่อนหลวงพ่อถือใบไม้มาให้ดิฉันนะอันนี้บอกใบอะไรเนี่ยไม่กล้าบอกว่าใบนะหลวงพ่อสอบอารมณ์เราแน่เลยนะ <laughs> บอก <laughs> อยู่ห้างเลย หลวงพ่อมาไม้ไหนเนี่ย <c oughs> คิดในใจ <c oughs> ไม่เอาแล้วไม่พูดแล้วเ <c oughs> นี่ยมันต้องระวังอยู่ตลอดอะ่พะพ่ออยู่ยิ่งอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยนะเราต้องอย่างดีชั้นนี่นะอยู่กับท่านมาเนี่ยปฏิบัติมาไม่ใช่ว่าจะมีอะไรพิเศษนะไม่ใช่ว่าจะมีอะไรดีนะต้องทํามากกว่าคนอื่นต้องระวังตัวมากกว่าคนอื่นอีกนั่นแหละพราเวลานั่นนะท่านเอาท่านเอาหนักพวกที่อยู่ใกล้ใกเนี่ยยิ่งปฏิบัติอยู่นานนี่นะยิ่งต้องทํามากเพราะฉะนั้นนะอ่า ก็พอแล้วเนาะให้ได้ท่านได้สรุป